ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปะปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรจนาต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงมังสะกะถาว่าด้วยเรื่องของเนื้อข้อหนึ่งอย่ารับเนื้อปลาดิบทั้งเนื้อทั้งปลา หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เช่นเป็นอาหารที่ดิบข้อหนึ่งอย่าฉันเนื้ออย่าฉันปลาดิบถ้ารับถ้าฉันต้องทุกข์กฎด้วยพระอาจารย์ท่านอาศัยคำในพระสูตรว่าอามะกะมังสะปะติค ห, หนาและอาศัยพระพุทธานุญาตว่าอนุชานามิพิคเวอามนุสิกาบาเทนะอามะกะมังสังขาดิตุง วิตุงอามะกะโลหิตตังดังนี้ห้ามไว้ก็คือไม่รับเนื้อดิบแล้วก็อนุญาตให้เวลาที่อมนุษย์เข้านี่ให้กินเนื้อดิบดื่มเลือดสดๆได้ห้ามไว้ความในพระสูตรพระพุทธอนุญาตว่าภิกษุย่อมเป็นผู้เว้นจากการรับเนื้อดิบว่าเราตถาคตอนุญาตให้พิกษุอันอมนุษย์เข้าสิงกายฉันเนื้อดิบก็ได้ดื่มกินโลหิตดิบก็ได้ เพราะคนทั้งสองนี้อาบัตินี้ชื่อว่าบาลีมุตตะทุกกฎก็คืออัตถกานทั้งสเลยสองเคราะว่าเป็นอาบัติเพราะว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เฉพาะตอนผีเข้าถึงกินเนื้อสดเลือดดิบได้ข้อหนึ่งยาฉันอุดิษฐะมังสะก็คือที่เขาทำเจาะจงไว้ถวายพิสุจนิ์ด้วยทรงห้ามและอ น, นุญาตไว้ว่า นาพิกเวชานางอุดิสกะตะังมังสังปริพุนชิตบังอนุชานามิพิกเวเพรความละติโกติปริสุตตังมัชฌะมังสังปริพุนชิตุงออดิษฐังอาสุตังอปริสังกิตังแปลว่าเนื้ออันบุคคลเฉพาะภิกษุคือฆ่าเจ้จงเนี่ยกระทำคือข่ามาภิกษุรู้อยู่อย่าพึงฉันถ้าฉันต้องทุกข์กด เราผู้ตถาคตอนุญาตให้ฉันปลาเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสามคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเจาะจงพิจตุเพิ่งรู้รังเกียจ ด, ด้วยได้เห็นรังเกียจ ด, ด้วยได้ยินและรังเกียจพ้นการเห็นพ้นการได้ยินนั้นคือรังเกียจโดยปฏิปักษโดยตรงกันข้ามกับการเห็นการได้ยินนั้นพิกตุไดเห็นมนุษย์ถือขายและแห่เป็นต้นออกจากบ้านหรือว่าเที่ยวอยู่ในปา่า เวลารุ่งเช้าเข้าไปบิณฑบาตในบ้านนั้นชาวบ้านถวายบิณฑบาต ท, ทั้งปลาด้วยเนื้อด้วยเธอนั้นอาศัยได้เห็นเดิมและรังเกียจว่าเขาจะทําเพื่อเพล็กตุทั้งหลายดอกกระมังดังนี้ชื่อว่ารังเกียจด้วยได้เห็นเพล็กตุไม่ได้เห็นเลยเป็นแต่ได้ยินว่ามนุษย์ทั้งหลายถือข่ายและแหเป็นต้นออกจากบ้านหรือเที่ยวอยู่ในปา่า เวลารุ่งเช้าเข้าไปบินธบาตในบ้านนั้นเข า, าน้อมบินธบาต ท, ทั้งปลาและเนื้อเข้ามาถวายรังเกียจอยู่ว่าเขาจะทําเจาะจงทิสุดอกกระมงดังนี้ชื่อว่ารังเกียดด้วยได้ยินและไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเลยเป็นแต่เข้าไปบินธบาตในบ้านทายกรับบาดไปแล้วก็แต่งบินธบาต ท, ทั้งปลาทั้งเนื้อน้อมมาถวายทิกสุรังเกียดว่าเขาจะทําเจาะจงทิสุดอกกระมงดังนีน้ชื่อว่ารังเกียดพ้นจากการเห็นพ้นจากการได้ยิน รังเกียจทั้งสามนี้ในของใดจะรับของนั้นไม่ควรถ้ารังเกียจอย่างนี้ไม่ควรจะรับสิ่งใดไม่รังเกียจอย่างนี้สิ่งนั้นจึงควรก็แลถ้าเขาถามว่าเหตุไรท่านจึงไม่รับพิสุกก็บอกว่ารังเกียจอยู่อย่างนี้แลเขาว่าของนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทําเพื่อพิกษุทั้งหลายข้าพเจ้าทำเพื่อตอนเองหรือว่าข้าพเจ้าทําเพื่อผีกรรันมมีอันให้แก่ผู้อิสระคือผู้เป็นใหญ่เป็นต้นดังนี้ย่อมควร ควรรับได้ถ้าทายยกปลาว่าเป็นเนื้อสัตว์ตายซื้อมาแต่ท้องตลาดดังนี้ก็ควรแม้ในเนื้อปลาที่เขาทำเพื่อเป ต, ตกิจก็คือให้แก่คนตายหรือเพื่อมงคลก็เหมือนกันเนื้อใดปลาใดเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อภิษุกดีและไม่สงสัยในเนื้อปลาใดกด็ดีทั้งปวงเหล่านี้ย่อมควรถ้าและเขาฆ่าเฉพาะพิษุในวิหารหนึ่ง พิกษุนั้นหารู้ว่าเขาฆ่าเฉพาะตัวไม่แต่พิกษุอื่นรู้ผู้ใดรู้ไม่ควแรควแก่พิกษุนั้นไม่ควรแก่ผู้นั้นนะควรแก่ผู้ที่ไม่รู้ท่าก็ทําฆ่าเจาะจงเราเราไม่รู้เราฉันเข้าไปไม่เป็นอัติภิกษุในวิหารอื่นไม่รู้แต่ว่าพิกษุในวิหารนั้นเองรู้ย่อมไม่ควรแก่พิกษุในวิหารนั้นควรแก่พิสุในวิหารอื่นที่ไม่รู้ นนที่ศูนย์ในวิหารนั้นก็รู้ที่ศูนในวิหารอื่นก็รู้ไม่ควรด้วยกันทั้งปวงเลยถ้าไม่รู้ด้วยกันทั้งปวงก็ควรด้วยกันทั้งปวงเนื้อก็ดีปลาก็ดีเขาค่าเฉพาะสาธรรมนิษฐครั้งห้าผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีไม่ควรด้วยกันทั้งสิ้นเลยถ้ารู้นะถ้าไม่รู้ยังได้สําหรับเนื้อเที่ยวค่าเจาะจงเป็นดี่จะรู้เขาค่าเจาะจงเนี่ยเป็นแต่ไม่รู้เขาค่าเจาะจงเราเนี่ไม่เป็นจะรู้อบัตหรือไม่รู้อาบัตไปแล้วแต่ แต่ว่าถ้ารู้ว่าเขาฆ่าเจาะจงเราแล้วก็ไปฉันเดี๋ยวก็ไปเรียนรู้เมื่อไหไอร่ก็เป็นแสดงมาตั้งถ้ารู้ว่าเขาฆ่าเจาะจงเรามันไม่ใช่เกี่ยวกับรู้ว่าเป็นอบฤฤัตหรือไม่เป็นอบัตแต่รู้ว่าเขาฆ่าเจาะจงหรือไม่เจาะจงถ้าและเขาเฉพาะพิจุรูปหนึ่งเขาฆ่าเฉพาะพิจุรูปหนึ่งเนี่ยนะฆ่าตาดแต่งบิณฑบาตมาถวายแกเธอนั้นถ้าเธอนั้นรู้อยู่ว่าเขาฆ่าเฉพาะตัวรับมาแล้วก็เอาไปให้พิจุรูปอื่น แล้วก็พิสุรูปอื่นนั้นก็ฉันนะด้วยเชื่อต่อเธอเช่นนี้ไม่เป็นอบัติด้วยกันทั้งสองเลยเพราะาคนรับเนี่ยไม่ไคนรับไม่ได้ฉันเพราะว่าไอ้รับอาหารที่มันเป็นไม่ใช่เนื้อสัตวปยะเนี่ยรับได้แม้ว่าเขาฆ่าเจาะจงเราก็ตา ม, มรับได้แต่ว่าฉันไม่ได้าฉันก็ไปต่ออบัตรเพราะรู้ว่าเขาฆ่าเจาะจงเราแต่ว่าเอาไปให้กับภิสุอีกรูปหนึ่งพิสุอีกรูปหนึ่งก็ไม่รู้เลยว่าเขาฆ่าเจาะจงพระพิษุ ก็ฉันเข้าไปนะนั้นก็ไม่มีอาบัตทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเขาฆ่าเฉพาะเจอดจงเธอองคใดองค์นั้นก็ไม่ได้ฉันเธอผู้ฉันก็ไม่รู้จึงไม่เป็นอาบัตจะเป็นอาบัตเพราะรับเนื้อเป็นกัปติยะก็หาไม่ได้เนื้อนี่เป็นกัปติยะนะเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไม่ใช่กัปติยะมังสารีรับได้แต่ว้เพื่อฆ่าเจอดจงนี่คนนั้นฉันไม่ได้ถ้ารู้ว่าเขาฆ่าเฉพาะพิกจุและฉัน ภายหลังรู้เข้ากิจที่จะต้องแสดงอาบัตินั้นไม่มีรู้ที่หลังไม้เปใดแต่ว่าถ้าเป็นเนื้ออากัปปิยะเนื้อสิงโตเนื้อเสือเนื้อหมาเนื้องูแต่ที่ตุไม่รู้ฉันแล้วภายหลังรู้เข้าพึงแสดงอาบัติแทะภกยหลังรู้ต้องแสดงอาบัติด้วยว่าเนื้อปลาที่เขาฆ่าเฉพาะรู้แล้วฉันจึงเป็นอาบัตเนื้อเป็นอากัปปิยะไม่รู้ฉันก็เป็นอาบัติแท้ เพราะเหตุ น, นั้นผู้กลาดต่ออบัติคือกลัวต่ออบัตินี้พึงกําหนดให้สมควรถามก่อนแล้วจึงรับเนื้อหรือพึงคิดว่าเมื่อฉันจึงจะถามรับแล้วพึงถามเสียให้ได้ความจริงฉันเพราะว่ายากที่จะรู้ด้วยเนื้อหมีก็เหมือนกันกันกบเนื้อสุกรเนื้อเสือเหลืองเป็นต้นเหมือนเนื้อมรึกเป็นต้นเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงว่าถามก่อนแล้วจึงรับอันนี้แลเป็นวัดดังนี้นี่ก็เรียกว่ามังสกคาถาจบ ต่อไปจะเป็นเรื่องเตรรฉานะวิชาดิคถาเรื่องการเรียนการสอนเยีรฉานวิชาเตีรฉานคาถาหมายถึงคำพูดที่ขวางกั้นต่อมรสนิพานแต่เตราฉานวิชานี่หมายถึงวิชาวิชาความรู้ที่เป็นเครื่องกั้นต่อมรสนิพานข้อหนึ่งอีกอย่าเรียนข้อหนึ่งอย่าบอกเยีรฉานวิชาถ้าเรียนถ้าบอกต้องทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่านาะภิกเวเตรรฉานะวิชาปาริยาปุนิตบตบาระความละ ว่าเจต บ, บาห้ามเรียนน้าสอนดังนี้ศิลปศาสตร์พวกช้างพวกหมาพวกอาวุธมนดนปลุกเสกเลขยันสเสนญยาแฟดอาถรรพ์วิชาต่างๆเป็นภายนอกาศาสนาไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเครื่องเบียเดเบียนคนยกแต่วิชาเลขเสียนอกนัานชื่อว่าเดรชาวิชาทั้งสิ้นเลยพลิกตุเรียนและบอกเป็นทุกบนับด้วยบทและอักขระเลยเรียนเลขเรียนคมภีอันหนึ่ง ชื่อว่าธารณะศัทธะปฏิบัติแล้วจะให้รู้คัมภีร์อื่นๆมากกว่าดีแน่เรียนวิชาเป็นปริศกัรยักษ์การผีการงูเป็นต้นที่รักษาตัวเหล่านี้ไม่เป็นอบัติเรียนพวกปริศพวกวิชาป้องกันได้วิชารักษาโรคแก้งูพิษอะไรพวกนี้ได้มีวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าธารณสัทธะ ถ้าไปเรียนแล้วเนี่ยแล้วมันจะทรงจําวิชาอื่นได้เยอะมีพระวิสุ์ขไปเรียนตรงพระไตรปิฎกแรงต่างเหล่านี้ยข้อหนึ่งอีกอย่าเรียนข้อหนึ่งอีกอย่าบอกคัมภีร์ชื่อโลกายตะต่าถ้าเรียนและบอกต้องทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิกาเวโลกายต่างปริยาปุณิตะบงังข้อความละวาเจตบงังดังนี้คัมภีร์ของเดรักถีอันหนึ่งแสดงเหตุไม่มีประโยชน์เป็นต้นว่า ของทั้งปวงเป็นเดนของทั้งปวงไม่เป็นเดนตาขาวนกยางดำดังนี้ชื่อว่าคัมพีโลกายตะกามันก็ต้องสีดำใช่ไหมแต่นี่บอกตาขาวเพราะอะไรเพราะว่ากระดูกมันขาวนกยางนี่มันสีขาวใช่ไหมแต่บอกนกยางดำเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อมันดำมันก็เป็นวิชาอะไรก็นไปดูว่าพอหนึ่งอีกทรงห้ามและอนุญาตเลยว่านาพิคเวพุทธวัจนังฉันตะโสอาโรเปตะบัง อนุชานามิพิกเวขความละสะกายะนิรุติยาพุทธวจนาปริยาปุนิตุงแปลว่าอย่าพึงยกคำพระพุทธเจ้าคือพระพุทธวจนะซึ่งเป็นคำมคธขึ้นสู่ทางเล่าเรียนโดยฉันคือโดยภาษาสันสกฤตดังไตรเพศถ้ายกขึ้นอย่างนั้นต้องถูกกดเราผู้ตถาคตให้เล่าเรียนพุทธวจนะโดยมคตโวหารดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส ต้องใช้ตรงภาษาบาลีตรงภาษาสันสตนี้ต้องบัติุกฏกข้อหนึ่งก็เถระไม่ได้เชื้อเชิญ อ, อยากแสดงธรรมโดยทรงห้ามและอนุญาตไว้ว่านาพิขเวสังฆมัชเชอณชิตเถนะธรรมโมพาสิตะโบอนุชานามิพิขเวก็ความละเถเรนะพิขุณาสามังวาธรรมังพาติตุงปรังวาอเชติตุงแปลว่า ทิสุไม่มีผู้เชื้อเชิญอย่าพึงแสดงธรรมในท่ามกลางสงฆ์ถ้าแสดงต้องทุกกฏเราผู้ตถาคตอนุญาตให้ทิสุผู้เป็นเถระแสดงธรรมเองหรือเชื้อเชิญผู้อื่นการเชื้อเชิญแสดงธรรมนี้เนื่องอยู่กับทิสุผู้เชื้อเชิญอันสง์สมมุติไว้ถ้ามีการสมมุติไว้นะหรือเนื่องอยู่กับพระสังฆเถระถ้าไม่มีการสมมุติไว้ก็แล้วแต่ว่าพระสังฆเถระจะเชื้อเชิญหรือเปล่า เมื่อพิสุผู้เชื้อเชิญไม่มีจะบอกพระสังฆเถ ร, ระเสียก่อนหรือพระสังฆเถ ร, ระเชื้อเชิญแล้วจึงแสดงก็ได้ถ้าไม่มีใครเชือ้อเชิญพระสังฆเถระก็ไม่เชิญก็ต้องบอกขออนุญาตแสดงธรรมนะครับขออนุญาตกล่าวธรรมนะครับแม้พระสังฆเถ ร, ระเล่าถ้าพิสุธรรมกัจึกมีมากในวิหารก็พึงใช้หรือว่าพึงให้ตามลําดับบอกให้แสดงตามลําดับว ร, รรคธรรมกัจึกอันพระเถ ร, ระ ใช้หรือว่าบอกเชื้อเชิญว่าท่านจงกล่าวธทมหรือจงแสดงทมหรือจงให้ธรรมทานดังนี้แล้วพึงแสดงทมโดยวิธีสามอย่างก็คือท่านให้สวจบาลีได้แต่สวจอย่างเดียวท่านให้แสดงก็ได้แต่แสดงอย่างเดียวท่านให้กล่าวสาระพัญยะก็ได้แต่กล่าวสาระพัญยะอย่างเดียวถ้าท่านบอกทั้งสาอย่างถึงทำได้สามอย่างบอกให้ทาอย่างไรก็ทาเฉพาะอย่างนั้น แม้พระสังฆเถระจะนั่งในอาสนะสูงเชื้อเชิญก็ไม่ได้เลยต้องนั่งบนอาสนะต่าหรือว่าเสมอกัน แ, แม้แต่พระสังฆเถระถ้ามีแต่อุปชากับสัติวิหาริษเท่านั้นอุปชาท่านนั่งอยู่ในที่สูงกล่าวว่าท่านจงแสดงธรรมให้สัตวิหาริษพึงอธิฐานเป็นสาธยายแล้วจึงแสดงเพราะว่าถ้าไปแสดงให้พระอุปชาสามนิตรบาทุกตกนั่งอยู่ในที่สูงนะ อยู่ในที่ต่ำจะนั่งทำกับบุคคลที่อยู่ในที่สูงแม้เป็นอุปชาก็ตามเนี่ยต้องแบบทุกคนวัะนั้นถ้าไม่มีใครอื่นแล้วก็อ้าวเราจะสาธยายก็แล้วกันเราไม่แสดงให้อุปชาฟังอ่ะเราจะสาธยายก็แล้วกันแต่ถ้ามีพิกตุวหนุ่มอยู่ในที่นั้นด้วยซจเพึ่งผูกใจว่าเราจะแสดงแก่พิกตุวหนุ่มแล้วจึงแสดงเกิดก็ทําให้มีสตินะไม่ไปล่วงละเมิดสิกลาบทถ้าในวิหารพระสังฆเถระให้แสดงแต่สิทิของตนเท่านั้น ไม่เชื้อเชิญพิกษุอื่นแม้เป็นผู้แสดงไพรระบ้างพิจุอื่นพึงว่ากับพระสังฆเถระว่าข้าพเจ้าจะเชิญพิกษุชื่อนู้นให้แสดงถ้าพระสังฆเถระรับหรือว่านิ่งอยู่ก็ดีจะเชิญให้ภิกษุอื่นแสดงควรอยู่ถ้าแลพระสังฆเถระห้ามเสียใจก็อย่าพึงเชื้อเชิญภิกษุอื่นให้แสดงเลยพิว่าพระสังฆเถระยังไม่มาเลยปรารบธรรมสวรรขึ้นแล้ว พระสังฆเถระจึงมาอีกเล่าจิตซึ่งจะหยุดเสียแล้วและบอกไม่มีครั้นสวดบาลีจบแล้วจะแสดงเนื้อความพึงบอกหรือว่าอยาหยุดแล้วก็แสดงไปเลยทีเดียวแต่ถ้าหยุดแล้วพระสังฆเถระมานิดจะแสดงอีกต้องขออนุญาตอีกแม้แสดงความอยู่แสดงเนื้อความอยู่เนี่ยพระสังฆเถระมาอีกเล่ก็เหมือนกันก็คือถ้าแสดงไปแล้วพระสังฆเถระมาก็ไม่ต้องหยุดแสดงแสดงให้จบไปเลย แต่ถ้าหยุดแล้วพระเสดรามาแล้วจะแสดงอีกต้องบอกกล่าวต้องขออนุญาตแม้ในอุปนิสิต น, นักขาก็คือการแสดงแก่คนที่มานั่งใกล้ไปถามนี่ก็เหมือนกันพระสั่งขาเถระย่อมเป็นใหญ่เพราะเหตุนั้นพระสั่งข้าเทระพึงแสดงเองหรือเชื้อเชิญเพียรตัอื่นให้แสดงก็แต่พระสั่งขเถระอย่านั่งในอาสนะสูงเชื้อเชิญต้องนั่งเสมอกันหรือว่าอาสนะต่ากว่า ก็แล่พิสุนุ่มจะคิดว่าเราจะกล่าวแก่ขรรช์แม้ว่าแสดงก็ควรแม้ว่าแสดงก็คือจะกล่าวจะกล่าวแก่ขรรช์ถ้าจึงจะแก้ปัญหารหขรัชก็ถามเนี่ยขรรช์เขาถามปริศนาพระพิกจุที่เขารู้จักพิกสุนันท์ึงบอกพระเถระก่อนจึงแก้แตนะ่ถ้าอยู่กับพระสังฆเถระรถ้าโยะเถระนี้ต้องอนุญาตอะต้องบอกก่อน ถ้าพระสังฆเถระเมื่อพิกตุหนมบอกว่าเขาถามปริศนากับข้าพเจ้าดังนี้แล้วท่านอนุญาตให้แก้หรือว่าท่านนิ่งอยู่พิกตุนหนมจะแสดงก็ควรแม้ในการอนุโมทนาเป็นต้นในระแวกบ้านก็เหมือนกันถ้าพระสังฆเถระอนุญาตไว้แต่เดิมว่าในวิหารหรือว่าในระแวกบ้านก็ตามท่านอย่าได้บอกเราเลยพึงแสดงเถิดดังนี้ ชื่อว่าได้กรรมอันควรแล้วจะแสดงธรรมในที่ทั้งปวงก็ควรท่านพระสังค itera ท่ทานอนุญาตไว้แล้วแม้ถึงจะสาธยายก็ต้องบอกพระเทเรต่อนถ้าจะสาธยายนี่ถ้าท่านอนุญาตให้แสดงอย่างเดียวนี่ก็ไม่ต้องบอกละแต่ว่าถ้าไม่ได้อนุญาตการสาธยายไปด้วยถ้าจะสาธยายต้องบอกพระเทเรก่อนบอกพระเทเระองค์หนึ่งแล้วสาธยายอยู่พระเทเระองค์อื่นมาอีกจิตซึ่งจะต้องบอกอีกไม่มี ถ้าผูกใจว่าเราจะหยุดพักเสร็จแล้วและหยุดอยู่พระเถระองค์อื่นมาเล่าเมื่อปรารบจยากแสดงอีกก็พึงบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพระเถระไม่พอใจเสดโทษแก่ท่านอีกตัวเองก็เป็นอบัตด้วยนะแม้ถึงพระสังฆเถระยังไม่มาปรารบสาธยายอยู่ก็เหมือนกันพระสังฆเถระองค์หนึ่งอนุ ญ, ญาตไว้แล้วแต่เดิมว่าท่านอย่าได้บอกเราเลยจงท่องสาธยายตามสบายเถิดดังนี้จัดท่องสวจตามสบายก็ควร ครั้นพระเถระอื่นมาเล่าพึงบอกท่านก่อนแล้วพึงท่องเถิดต้องให้ตรวจสายตาใหญ่ได้แต่ว่าต้องบอกกับพระสังฆเถระถ้าท่านไม่ได้ย้ายไว้ก็ต้องบอกข้อหนึ่งอย่าเพิ่งขับร้องสวดแสดงธรรมด้วยเสียงขับอันยาวคือทําลายเสียซึ่งวัดนั้นๆยังอัขระให้ชิ้หายถ้าขับร้องสวดแสดงดังนั้นต้องถูกกดด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิขเวอายะตะเกนะ คีตสเรณธรรมโมคายตโบดังนี้ก็แลวัดชื่อว่าสุตันตวัดก็มีชื่อว่าชาตกะวัดก็มีชื่อว่าคาถาวัดก็มีก็คือพระวัดในการสวดแบบพระสูตรปรตามแบบชาดกก็ตามหรือว่าแบบคถาก็ตามก็อยู่ในธรรมคาสอนของพระเจ้าเนี่นะอย่างวัดนั้นๆให้ชิ้นหายกระทําเสียงให้ยาวนะักไม่ควรไปสวดแลตสวดเอื้อนเอ่ยอะไรยาวๆนี่มีโทษมีอับัต พึงแสดงบทและพยัญชนะให้เป็นปริมนทนด้วยวัดอันกลมกลม่อมสารพันยะก็คือสวดและกล่าวด้วยเสียงเป็นทํานองลำลำคือเป็นลำนำําพวกนี้นะนะพระองค์ทรงอนุญาตไว้ได้ยินว่าในสารพันยะนั้นมีวัดอยู่ถึงสามสิบสองอย่างเป็นต้นว่าตรางฆวัดทํานองดังคลื่นสระมีดโพหะตะวัดทํานองดังรีดน้ํานมโคคาลิตะวัด ทำนองดังสิ่งของที่ตกลงเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้ว่ประเพณีสืบต่อมาไม่เห็นแล้วก็เลยไม่รู้ตรวจยังไงอะในวัดทำนองเหล่านั้นอยากทำทำนองใดทำทำนองนั้นก็ได้ไม่ยังบทและพยัญชนะทั้งปวงให้ชิ้หายไม่ทําให้วิการทําให้เสียงเป็นไปโดยอย่างเป็นสมณสารูปกลมๆนี้แหละเป็นลักษณะในสารพัญญะขับร้องสวดแสดงธรรมด้วยเสียงขับอันยาวนะั้นมีโทษห้าอย่าง ดังนี้ก็คือผู้ขับย่อมกําหนัดในเสียงแม้แห่งตนนั้นหนึ่งแม้คนอื่นก็ย่อมกําหนัดในเสียงนั้นหนึ่งแม้คณะบดีทั้งหลายเขาก็ย่อมติดเทียนได้หนึ่งแม้ประสงค์ความชดช้อยแห่งเสียงความทําลายสมาธิก็จะมีคือไม่อาจจะยังสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ที่ได้แล้วก็ไม่อาจจะให้ถึงการเข้าได้อีกก็คือสมาธิก็เสื่อมไปมูชนในภายหลังเป็นต้นว่าติด ย่อมจะถึงทิฏฐานุคติเห็นตามไปว่าแม้อาจารย์และอุปชาของเราท่านก็ขับร้องสวนแสดงอย่างนี้แล้วก็ขับร้องแสดงอย่างนั้นบ้างก็ถือเอาเป็นทิฏฐานุคติเป็นตัวอย่างไปอันนี้ก็เป็นห้าอย่างข้อหนึ่งไม่มีผ้ากรองน้ำอย่าเดินทางไกลถ้าเดินไปต้องทุกกดถ้าผ้ากรองและธรรมจกไม่มีไตแม้มุมสังขาติก็ตึงอธิฐานว่า เราจัดกรองด้วยมุมสังคาตินี้ดื่มกินดังนี้ด้วยตรงห้ามและอนุญาตไว้ว่าณจะพิขเวอปริสาวะเกนะอัฏฐานโน ป, ป, ปติปัชตโบสเจนะโหติ็กวามละปีวิสามีติดังนี้หว่วยนี้ก็ไม่มีการกรองน้ำเลยนะเพราะว่าดื่มน้ำเรากรองมาแล้ ว, ล แ, ลวแต่ว่าทิขาบทมีแล้วอ่ะาาถ้าไม่ทำตามก็มีอับ ไม่มีผ้ากรองน้ําห้ามเดินทางไกลถ้าเดินไปก็ต้องบัดทุกกดเพื่อนั่งก็ไอ้ฐานสังคติไว้่ถ้ามีน้า จ, จะต้องกรองเราก็จะตรองด้วยมุมสังคตินี้ข้อหนึ่งพิฆสุอื่นยืมผ้ากรองน้ําอย่าหวงด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิฆเวอัฏฐานะมาัคคะปฏิปันเนนะพิกุนาปริารสาวะนังยาจิตมาเนนะณนะดาตับบงังแปลว่า พตจูอันพิจูเดินทางไกลขอยืมผ้ากรองน้ําอย่าหวงไม่ให้ถ้าไม่ให้ต้องถูกกดไม่ให้แก่พิจุที่ไม่มีผ้ากรองน้ําเลยจึงเป็นอบัติ้ตอแลพิจุใดผ้ากรองน้ําในมือของตนก็มีอยู่แกล้งขอยืมไม่อยากจะให้แก่เธอนั้นก็อย่าพึงให้เลยไม่เป็นไรถ้าเขาแกล้งแกล้งขอยืมติรชาหนะ้วิชาดีคาถาจบเรื่องการเรียนคาถา เรียนวิชาที่เป็นดรชนิชาอะไรทีนี้นะอีกเรื่องหนึง่งจะกล่าวในตัทธาเทยยาดิกถาเรื่องของธรรมสัทธาไทยให้ตกไปข้อนหนึ่งอย่ารมของสัทธาไทยให้ตกไปคืออย่าให้อนามัตบินทะบาทเป็นต้นแก่ขดหัสดโดยตรงอนุญาตนะฮะไม่ว่าอนุชานามิภิกขเวมาตาปีตูนางดาตุงน่าจะสัทธาใดยังวินิปาเตตับโบแปลว่า เราพูดตถาคตอนุญาตให้ของที่ทายกให้ด้วยศรัทธาให้แก่มารดาและบิดาแต่ของที่เขาให้ด้วยศรัทธาอย่าทำให้ตกไปเสียคือให้เสียแก่ญาติอันเศษให้กับคนอื่นที่เป็นญาติก็ไม่ได้นะนอกจากพ่อแม่ถ้าให้ตกไปเช่นนั้นต้องทุกข์กฎดแต่มารดาบิดาแม้ถึงตั้งอยู่ในราชสมบัติถ้าปรารถนาแล้วไซก็ต้องให้ ของฉันที่ได้มาใหม่ยังไม่ได้ฉันเลยชื่อว่าอนามัตฐบินทบาทบินทบาทอันเลิศนะที่ยังไม่ได้จับต้องอนามัตฐบินทบาทนี้ก็ชื่อว่าศรัท ธ, ธาไทยก็คือเป็นของที่ของให้ด้วยศรัท ธ, ธาของเขาให้ด้วยศรัท ธ, ธาในเรื่องธรรมยาพระอัศาจารย์ยกอนามัตฐบินทบาทอย่างเดียวขึ้นกล่าวด้วยดูเหมือนหนึ่งจะชี้ตัวอย่างในปัจจัยอันเสให้ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาดูเถอ นั้นของที่เขาให้มานี่อย่าทำให้เสียไปด้วยการทำศรัทธาให้ตกข้อหนึ่งอย่าทำยาให้แก่คนที่ไม่ใช่ญาติด้วยทรงห้ามไว้ในวีนิสตวัตถุว่าอาปฏิทุกตัศะดังนี้เพราะเหตุนั้นคนอื่นมาขอยายาพึงทำให้เมื่อทำให้ต้องทุกตกบาลเณรพิษูพิษุณีนาสิกขมนาสัมเนนนางสามเนรีห้าจำพวกนี้ชื่อว่าสหธ ร, รมนิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน พึงทำยาให้เถิดด้วยว่าชนเหล่านี้มีศีลและศรัทธาปัญญาเสมอกันประกอบในไตรสิกขาจะไม่ทำยาให้ไม่ได้ต้องทำเมื่อจะทำให้ถ้าเครื่องยาของคนเหล่านั้นมีไซส์ก็พึงเอาประกอบให้ถ้าไม่มีไซส์ก็พึงเอาเครื่องยาของตนทำให้ถ้าแม้ของตนไม่มีเล่าไซส์พึงสแสวงหาด้วยพิขาจารวัตหรือสแสวงหาแต่ญาติและคนปวรณา เมื่อไม่ได้จริงๆก็พึงหาแม้ด้วยอัตตวิญยักษ์ก็คือไปขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติก็ได้เพื่อคนไข้นั้นแล้วพึงทําให้แม้คนท่าจะพวกคือมารดาบิดาคนอุปถาคมารดาบิดาวิ ย, ยาวิจกรของตนปันรุป ร, ราชก็คือคนผู้จะมาบวชจัดแจงระบมบาทยอมผ้าอยู่ในวิหารจะทํายาให้แก่คนเหล่านี้ควรอยู่ถ้ามารดาบิดาเป็นอิสระคือเป็นใหญ่ ไม่ประสงค์จะไม่ทําให้ก็ควรคือไม่ต้องการยาของพระลูกหรอกมันก็ไม่ทําไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องการนี่ต้องทําถ้าตั้งอยู่ในราชสมบัติแล้วแต่ว่ายังประสงค์จะให้ทําจะไม่ทํานี่ไม่ควรจะไม่ทําให้ไม่ควรต้องทํามนรดาบิดาเมื่อประสงค์ยาพึงให้ยาเมื่อไม่รู้จักประกอบพึงประกอบให้พึงแสวงหายาเพื่อประโยชน์คนห้าจำพวกนั้นโดยในดังกล่าวแล้วในสาทำมิเถิดก็คือสามารถที่ไปบินทบาหตหรือว่า ขอจากคนที่เป็นญาติหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติก็ได้ถ้านำมารดามาปฏิบัติในวิหารอย่าจับต้องกระทําบริกรรมทั้งปวงพึงให้ของเคี้ยวของกินด้วยมือของตนแต่ว่าห้ามจับต้องส่วนบิดาพึงทาการอุปถาเป็นต้นว่าให้อาบน้ำและนวดด้วยมือของตนดังอุปถาสามเณรแม้แต่คนผู้อุปถาปฏิบัติมารดาบิดาก็พึงทาให้ดังมารดาบิดาเถิด คนผู้เป็นวิทยาวิกร น, นั้นจําพวกใดถือเอาเบี้ยเลี้ยงแล้วไปตัดปืนอยู่ในปา่าหรือทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ครั้นโรคเกิดขึ้นพึงทํายาให้แก่เขานั้นว่าญาติเขาจะมาเห็นเถิดก็แล้วผู้ใดเป็นผิดของพิกตุทําการทั้งพวงอยู่ผู้นั้นพิกตุต้องทํายาให้เป็นแท้แม้ในปันรุ ป, ป ร, ราชผู้ที่จ ะ, ะบวชพึงปฏิบัติดังสามเณรเถิด ส่วนคนอีกสิบจำพวกก็คือพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงแล้วก็น้องพวกน้องของมันดาพวกน้าพวกอาพวกนี้ยนะพี่หญิงของมันดาน้องชายของบิดาพี่ชายของบิดาพวกลุงพวกอาน้องหญิงของบิดาเนี่ยพวกป้าพวกอะไรพวกนี้ยนะพี่ชายน้องชายของมันดาพวกปู่ย่าอะไรต่างๆอาลุงกระทำยาให้แก่คนสิบจำพวกนี้ควร จะทำนิเฉยนะ้ำให้ให้ยังไม่ให้เลยถ้าทําให้ไม่ได้อยู่แต่ว่าต้องมีข้อแม้ก็คือเมื่อจะทําให้พึงถือเอาเครื่องยาของคนจําพวกนั้นเป้นแต่ประกอบให้เท่านั้นถ้าเครื่องยาของคนเหล่านั้นไม่มีเขาขอว่าท่านจงให้เถิดท้าวเจ้าจะจาใช้ให้คืนที่หลังก็พึงให้เป็นของยืมถ้าแม้เขาไม่ขอไซก็พึงบอกเขาว่ายาขอเรามีอยู่ ท่านจงยืมเอาไปเถิดให้ยืมนะหรือพึงผูกใจว่าของเขามีเมื่อไรเขาจัดให้คืนเมื่อ น, นั้นดังนี้แล้วก็ทําให้เถิดถ้าเขาใช้ให้ก็พึงถือเอาถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าทวงเขาเลยเพราะว่าเป็นญาตินี่ก็ให้ยืมได้ถ้าเขาไม่มีให้ก็ไม่ต้องเอาอนะ่ยอย่าพึงให้ยาแก่คนอื่นพ้นจกากญาติติดนั้นก็แลภิกตุเมื่อให้เขาเอาปัจจัยตี มาให้แก่ตนโดยลำดับบุตรแห่งญาติติดนั้นจนตราบเท่าถึงชั่วตระกูลที่เจ็ดเจ็ดตระกูลเลยเนี่นะไม่เป็นอัตตาวิญญาติทํายาให้ก็ไม่เป็นเวชกรรมด้วยแล้วก็ไม่เป็นอาบัติด้วยเาะกูและดูสกะแต่ว่าถ้าภรรยาแห่งพี่น้องชายหรือว่าสามีแห่งพี่น้องหญิงเขาเป็นไข้ถ้าเขาเป็นญาติด้วยใจกระทํายาให้เขาด้วยก็ควร แต่ถ้าเขาไม่เป็นญาตาิใพึงทําให้แก่พี่น้องชายและพี่น้องหญิงว่าท่านจงให้ในที่ปฏิบัติของท่านเธอเราไม่ต้องเอาไปให้แต่ว่าให้พวกญาติของเราเอาไปให้ถ้าพวกเขยพวกนี้นะพี่เขยน้องเขยแนะที่นี้นี่ไม่ใช่ญาตินะอีกอย่างหนึ่งพึงทําให้แก่บุตรของคนเหล่านั้นว่าเธอจงให้แก่มารดาบิดาของเธอเถิดเว้นฉายในบททั้งปวงที่พึงรู้โดยอุบายนี้เมื่อจะใช้สรมเนนให้หายามาแต่ป่าเพื่อญาติคนเหล่านั้น พึงใช้สามเนรที่เป็นญาติให้นำมาให้หามาหรือให้หามาเพื่อตนแม้สามเนนเล่าพึงหามาด้วยวัดตัศีรษะก็คือโดยถือว่าเป็นข้อวัดว่าเราจะเอามาให้อุปชาดังนี้มารดาบิดาแห่งอุปชาเป็นไข่มาที่วัดอุปชาไปอื่นเสียไปยังที่อื่นเสียสัาธิวิหาริสพึงเอาเครื่องยาของอุปชาทําให้เครื่องยาของอุปชาไม่มีไซส์พึงสลักยาของตน เพื่ออุปชาแล้วพึงให้เถิดแม้ของตนไม่มีพึงแสวงหาด้วยพิขาจารวัตเป็นต้นดังกล่าวแล้วทำให้เป็นของอุปชาแล้วจึงให้เถิดแม้อุปชาเล่าพึงปฏิบัติในมารดาบิดาแห่งสัตธิวิหาริกเหมือนดังนั้นเถิดในอาจารย์และอันเตวสิศก็เหมือนกันแม้คนอื่นผู้ใดเป็นอาคันตุกะหรือเป็นโจรหรือว่าคนแพ้แต่การศึกแต่รบแพ้มาหรือว่าเป็นคนอิสระคนที่เป็นใหญ่ หรือเป็นคนอัญญาสละเสร็จแล้วเขาทอดทิ้งแล้วนี่นะคนเหล่านี้เป็นไข่เข้ามาที่วัดทีตุเมื่อไม่หวังสิ่งใดก็พึงทำยาให้แก่คนทั้งปวงเหล่านั้นเถิดตระกูลผู้มีศรัทธาอุปถัมภ์อยู่ด้วยปัจเจตีตั้งอยู่ในที่เป็นมาราบิดาแห่งสงในตระกูลนั้นถ้าผู้หนึ่งเป็นไข่ลงเขาอาศัยคนไข้กล่าวด้วยวิสาสะว่าท่านจง ทำยาให้ดังนี้อย่าพึงให้ยาพึงทําเลยถ้าเขารู้การอันควรและถามว่าโรคเช่นนี้เขาทํายาอย่างไรจะกล่าวว่าเขาเอาสิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้ด้วยทยํายาดังนี้ควรอยู่ก็แล้วเขาว่ามารดาของข้าเจ้าเป็นไข้ท่านจงบอกแต่ยาให้เถิดก็อย่าพึงบอกนะแม้เขาจะมามีศรัทธาดูแลอุปถ า, าสองอยู่นี้ก็อย่าพึงบอกแต่ว่าพึงพูดกับเพื่อนกันบอกกับเพื่อนข้าง บอกว่าพิกษุชื่อนู้นเป็นโรคอย่างนี้นี่เขาประกอบยาอย่างไรพิกษุเพื่อนกันก็พูดว่าเขาเอาสิ่งนี้สิ่งนี้ประกอบให้ขหัดเขาได้ยินแล้วก็จำไปทำยาให้แกมาดาของเขาดังนี้ก็ควรได้ยินว่าแม้พระมหาปทุมมเถระที่เรียนพระวินัยถึงสิบแปดรอบเรียนพระวินัยสิบแปดรอบพระสุมาณะเถระเรียนพระวินัยเก้ารอบพระมหาปฐุมเทเถระท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ พึงปฏิบัติในเพศตัดดังนี้ก่อนส่วนในเรื่องของปริเดี๋ยวก็เอาไว้ตอนในวันหลังวันนี้ก็สมควรกัเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีศรัทธาศึกษาพระวินัยคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นส่วนของอธิศีและสิกขาเพื่อเอ ก, กื้อกูลแก่อธิจิตติสิกขาและก็อธิปัญญาสิกขาเพื่อความประชุมพร้อมของไตรสิกขาขอให้ได้บรรลุอริยะมรรคผลโดยทั่วกันด้วยเชิญสาธุสาธุสาธุ